จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหัวข้อที่สี่ไม่ควรโกรธปรพุทธภาิทรสัจจังพระเนณนกุชเชยะทัชชาอับปังปิยาจิโตเอเตหิตีหิฐานหิ คัดเฉทวาณสันติเกแปลว่าบุคคลควรพูดคำจริงและไม่ควรโกรธเมื่อถูกขอแม้จะมีของอยู่น้อยก็ควรให้บุคคลย่อมไปยังสำนักของเทพได้ด้วยฐานะทั้งสามนี้ฐานะทั้งสามมันเป็นเหตุให้บุคคลไปเทวโลกคือพูดคำจริงหนึ่ง ไม่โกรธหนึ่งให้แก่ผู้ขอหนึ่งคำสัตว์คือคำจริงคือคำอันตรงกันข้ามกับคำเท็จคำหลอกลวงผู้จะพูดคำสัตว์ให้สำเร็จประโยชน์แกตนและคนทั้งหลายนั้นต้องพูดคำสัตว์ที่เป็นอัดเป็นธรรมผู้ถูกกาละเทศะและบุคคลพูดในเรื่องที่ควรพูดแก่บุคคลที่ควรพูด ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นคําจริงแล้วจะพูดได้ทุกการทุกสถานที่และทุกบุคคลจริงอยู่คาสัตว์ไม่ตายแต่คนพูดคําสัตว์โดยไม่เลือกการสถานที่และบุคคลมักตายเสมอเมื่อเห็นว่าคําสัตว์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์และประกอบด้วยธรรมแล้วจึงพูดคนมีสัจจะท่านว่าเป็นคนนิสัยดีควรครบส่วนคนตรงกันข้ามนิสัยไม่ดีไม่ควรครบคนดี เมื่อรู้ว่าจะพูดเท็จไม่พูดเสียดีกว่านิ่งเสียดีกว่าพูดเท็จข้อว่าไม่พึงโกรธนั้นได้ที่บายมามากแล้วในเรื่องที่หนึ่งและที่สจึงไม่ต้องพูดอีกในที่นี้ข้อว่าเมื่อถูกขอแม้มีของน้อยก็พึงให้นั้นความว่าเมื่อเขาหน้าด้านขอเราก็ไม่ควรหน้าด้านพอที่จะไม่ให้มีของน้อยก็ให้น้อย แต่มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าคนมักขอมักไม่เป็นที่รักพอใจของผู้ถูกขอคนที่ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขอบางคนเป็นคนเห็นแก่ได้เห็นอะไรของใครพอเกิดอยากได้ก็ขอโดยไม่ได้คำานึงว่าของนั้นจะเป็นที่รักที่หวงแหนของเจ้าของหรือไม่ขอได้ก็ชื่นชมยินดีชมตัวเองว่าเก่ง ไม่ได้ก็ตำหนิติเตียนเขาว่าขี้เหนียวไม่รู้จักให้และธรรมดาก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าคนมักขอก็ไม่มักให้อะไรแก่ใครส่วนคนมักให้ก็ขออะไรใครไม่ค่อยเป็นคิดแต่เรื่องจะให้เขาในสังคมมนุษย์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคนเสียสละก็ต้องเสียสละกันอยู่เรื่อยไปคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว ก็สอดสายสายตามุ่งมองแต่ผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมิตรสหายและสถาบันด้วยเหตุนี้ข้อว่าผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสังคมและชาติจะต้องมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอบางคนเกิดมาเพื่อจะสบายด้วยการสวยผล สวยผลงานที่คนอื่นทำไว้ให้บางคนเกิดมาเพื่อจะลำบากเหน็ดเหนื่อยแม้จะร่ำรวยแล้วก็ต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยดูพวกเศรษฐีที่สร้างตัวเองจากความยากจนกับบุตรของเศรษฐีนั้นเถิดจะเห็นว่าพ่อเกิดมาเพื่อจะลำบากลูกเกิดมาเพื่อจะสบายเรายังต้องการความเป็นธรรมในสังคมอีกสังคมเรานั้นยังขาดความเป็นธรรมอยู่ทุกแห่ง แม้แต่ในครอบครัว น, น้อยไปจนถึงสังคมใหญ่ทั้งนี้เพราะใจคนขาดธรมยิ่งในครอบครัวที่ผู้ชายมยีเมียทั้งสองคนขึ้นไปถึงสี่แล้วความยุติธรรมก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเหลือเกินแต่ในครอบครัวเช่นนั้นความยุติธรรมก็ขาดแคลนอย่างมากด้วยเหมือนกันฝ่ายชายมักจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งความชอกช้ำลำบากจิณตกอยู่แก่ฝ่ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พระพุทธภาษิตว่าบุคคลไปสู่เทวโลกด้วยธรรมสมอย่างนี้อัตถกถาที่บายมีอัถถาที่บายว่าบุคคลสามารถไปเทวโลกด้วยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสอย่างนี้เรื่องนี้ทรงแสดงเพราะทรงปรารบปัญหาของพระมหาโมคลานะมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าพระเถระจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มาก ท่านถามเทพธิดาผู้มาสู่สำนักของตนว่าสมบัติของท่านมากมายท่านได้เพราะทำกรรมอะไรเทพธิดาละอายอยู่เพราะตนได้ทำกรรมดีเพียงเล็กน้อยจึงกล่าวกับพระเถระว่าโปรดจะถามถึงข้อนั้นเลยพระคุณเจ้าขอจงบอกเถิดเพื่อประโยชน์แก่พวกมนุษย์พระเถระขอร้องท่านผู้เจริญทานข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถวายการบูชาก็ไม่ได้ทำ คำก็มิได้ฟังข้าพเจ้ารักษาแต่เพียงคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระไปยังวิบาลของเทพริดาอีกองหนึ่งถามอย่างนั้นเหมือนกันเทพธิดาตอบว่าสมัยศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสีของคนอื่นนายเป็นคนโหดร้ายเหลือเกินเอาท่อนไม้ท่อนฟืนตีที่ตัวบ้างที่ศีรษะบ้าง เมื่อความโกรธเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ห้ามเสียสั่งสอนตอนเองว่าเขาเป็นนายอาจจะตัดมือตัดเท้าเราก็ได้เขาไม่ทำถึงอย่างนั้นก็ดีแล้วอย่ากโกรธเลยข้าพเจ้าได้สมบัตินี้ด้วยเหตุเพียงไม่โกรธอย่างเดียวเมื่อท่านถามเทพธิดาองค์อื่นอีกเขาตอบว่าดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยหนึ่นงลำแก่ภิกษุรูปหนึ่งดิฉันได้ถวายมะพร้าวหนึ่งผลเป็นต้น พระเทระลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าเป็นไปได้หรือหนอพระองค์ผู้เจริญที่บุคคลเพียงแต่รักษาคำสัตย์เพียงดับความโกรธหรือถวายทานมีผลประพับเป็นต้นอันเล็กน้อยแล้วได้ทิพยสมบัติพระศาสดาตรัสว่าโมกขลานะถามเราทำไมอีกเล่าเมื่อข้อความเหล่านั้นเทพธิดาได้บอกเธอแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า บุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธเมื่อเขาขอแม้ของมีน้อยก็พึงให้บุคคลย่อมไปสู่เทวโลกได้ด้วยเหตุสามอย่างนี้ 5. ไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระองค์ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าอาหิงสกาเยมุนโยนิจจังกาเยนะสังบุตตา เตยันติอัจจุตังถานางยัตะคันตัวณโศจเรแปลว่ามุนีเราใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิดมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกวงเล็บคือพระนิพพานอตกถาอธิบายว่าคำว่ามุนีหมายถึงพระอาเสขมุนีทั้งหลาย ผู้บรรลุมรรคผลแล้วโดยโมเนยะปฏิบัติโดยในยะนี้ท่านจำแนกมุนีเป็นสองประเภทคือเสขามุนีหนึ่งอเสขามุนีหนึ่งเสขามุนีคือท่านที่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอยู่ยังไม่ถึงอรหัตผลส่วนอเสขามุนีคือท่านผู้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไป คำว่าโมเนยะปฏิบัติหรือโมเนยะปฏิปทานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาแห่งความเป็นมุนีจริตอัธยาศัยที่ดีงามความสมบูรณ์ทางศิลธรรมความฉลาดกล่าดดวโดยตรงคือการปฏิบัติเพื่อสันติอันแท้จริงคำว่าสํารวมด้วยกายนั้นท่านแสดงพอเป็นนิทัศนะความจริงหมายถึงความสํารวมในไตรทวารคือกายวาจาใจ ข้อว่าที่อันไม่จุติและไปแล้วไม่เศร้าโศกนั้นหมายถึงพระนิพานพระาศาสดาประทับอยู่ในอัญชนาวันเมืองสาเกตทรงปรารบปัญหาที่ภิกษุทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีเรื่องย่อดังนี้คราวหนึ่งพระาศาสดาเสด็จถึงเมืองสาเกตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตมีพราหมณ์คนหนึ่งมอบลงแท้พระบาทของพระองค์และทูลว่า เขาเป็นบิดาของพระองค์พระองค์เป็นบุตรธรรมดาบุตรควรบำรุงมารดาบิดาที่สราแล้วเขาทูลว่าพระาศาสดาควรไปหามารดาที่บ้านดังนี้แล้วได้ทูล น, นิมนต์พระาศาสดาไปยังบ้านของตนพรหมณีภรรยาของเขาออกมาต้อนรับและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเขาทูลอาราธนาให้พระองค์และสาวกรับอาหารที่บ้านเขาเป็นประจำ แต่พระาศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะรับอาหารในที่เดียวไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดบอกให้คนที่นิมนต์พระองค์ไปบอกข้าพระองค์ด้วยพระาศาสดาทรงรับปฏิญญา น, นั้นจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อใครนิมนต์พระาศาสดาไปฉันที่ใดในเมืองสาเกตพระองค์จะขอร้องให้ไปบอกพราหมณผู้นั้นด้วย เมื่อพรามณนั้นทราบว่าพระศาสดาไปเสวยที่ใดก็ถืออาหารขาวหวานไปถวายที่นั้นเสมอมิได้ขาดเมื่อกิจนิมนต์ที่อื่นไม่มีพระศาสดาก็เสวยที่บ้านของพราหมณ์นั้นเขาทั้งสองถวายอาหารและฟังธรรมอยู่เนืองนิดได้บรรลุนาคามิผลแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ก็รู้ว่า พระเจ้าสุดโทธนะและพระนางมายาเป็นพระพุทธบิดามารดาแต่ฉไนจึงเรียกระศาสดาว่าบุตรของเราบุตรของเราและพระศาสดาก็ทรงรับรองความนั้นคงจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าพราหมณ์เป็นบิดาของพระองค์มา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นลุง500ชาติ ส่วนพราหมณีเล่าก็เป็นมารดาเป็นน้าและเป็นป้าจํานวนเท่านั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าใจของคนย่อมจดจ่อและเลื่อมใสในท่านผู้ใดเขาย่อมสนิทสนมในผู้นั้นความรักย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือเพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหนึ่งหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวเกิดในน้าย่อมอาศัยน้าหรือเปลือกตมเกิดขึ้น พระศ า, าสดาประทับอยู่ที่เมืองสาเกตสิ้นสมเดือนในพรรษาพรามและพรามณีได้บรรลุอรหัตผลแล้วนิพพานคนทั้งหลายทำสการะศพของท่านทั้งสองนั้นแล้วหามไปเผาแม้พระศา ส, าสดาเองก็เสด็จไปยังชาปณะสถานมีภิกษุประมาณ500เป็นพุทธบริวารมหาชนได้พากันไปเผามากเพราะคิดว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระมารดาบิดาของพระพุทธเจ้า เขาถวายบังคมพระพุทธองค์ซึ่งประทับยืนอยู่ณสาลาแห่งหนึ่งใกล้ป่าช้านั้นและปลอบพระองค์ว่าโปรดอย่าคิดว่าพระมารดาและพระบิดาทำกาละแล้วพระทศพลไม่ตัดอะไรทรงตรวจดูปณิสัยของมวลชนแล้วตัดพระธรรมเทศนาว่าชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ทั้งหลายไม่ถึง ร้อยปีก็ตายผู้ใดมีอายุเกินร้อยปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้เมื่อชาปน ก, กิจศพของท่านทั้งสองเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าสัมปรายภพวงเล็บคือชาติหน้าของท่านทั้งสองเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระอาเสขมุนีปริณิพานแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไวนะ้ณเบื้องต้นนั้นว่า มุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นอาทิมีนยะดังพรรณนามาแล้ว 6. อาสวะตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธภาศิทธสธาสาครมานานังอโหรัตาสุกสิกขนินังนิพพานังอาิมุตตานังอถฏังคัดฉันติอาสวะ แปลว่าอาสะวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อผู้ศึกษาตั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อาสะวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานของสัตว์ทำให้สัตว์ผู้มีอาสะวะนั้นมัวเมาเหมือนเครื่องดองภายนอกเช่นน้ำเมาทำให้คนดื่มมึนเมาอาสะวะตรงกันข้าม บารมีอาศวะทําให้สันดานเศร้าหมองบารมีทําให้สันดานบริสุทธิ์ท่านจําแนกอาศวะไว้4คือ 1. กามาสวะอาศวะคือกาม 2. ทิฏฐาสวะอาศวะคือมิจฉาทิฏฐิ 3. ภวาสวะอาศวะคือพบความติดในพบสอวิชชาสวะอาศวะคืออวิชชาความไม่รู้ คำว่าศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนหมายถึงศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานั้นแปลตามตัวว่าการศึกษาก็จริงแต่โดยอัดแล้วหมายถึงการลงมือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาทั้งกลางวันและกลางคืนขอน้อมไปในพระนิพพานนั้นคือมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานกล่าวคือในการดับตัณหา ข้อว่าตื่นอยู่ทุกเมื่อ น, นั้นคือมีสติอันเป็นธรรมเครื่องตื่นมีสติระวังอินทรีย์หคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีหรือยินร้ายเมื่อกระทบกับอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรรมารมอยู่ด้วยชาคริยานุโยกกล่าวคือประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนมากนักใน24ชั่วโมงท่านให้นอนสี่ชั่วโมงระหว่างสีทุ่มถึงตีสอง เวลานอกนั้นใช้ทำความเพียรเพื่อละอาสวะเมื่อบุคคลประกอบด้วยทำเครื่องตื่นอยู่หนึ่งปฏิบัติในไตรศิกขาหนึ่งมีอัตยานสายน้อมไปในพระนิพพานหนึ่งอาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูรทรงปรารภทาสีชื่อปุ น, นาของเศรษฐีเมืองราชสฤมีเรื่องย่อดังนี้ ความว่าคืนหนึ่งนางปุนาซ้อมข้าวเป็นอันมากที่เศรษฐีมอบให้จนเหงื่อชุ่มไปทั้งกายนางออกไปยืนตากลมอยู่ภายนอกเพื่อพักผ่อนสมัยนั้นพระพั พ, ะพะมะระบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเมื่อภิกษุทั้งหลายฟังธรรมในราตรีแล้วต้องการกลับอย่างที่พักแต่มืดพระเถระจึงเนรมิตไฟให้เกิดขึ้นเนรมิตภิกษุผู้นำทาง ภูเขาคิดจะกูดจึงสว่างด้วยแสงไฟเป็นดวงดว ง, ด ว, งวงเล็บคล้ายคนถือเทียนเดินไปเป็นกลุ่มๆหรือเป็นแถวนางปุนาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราลำบากอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยในการงานจึงยังไม่หลับก็เหตุไรนอพระภิกษุทั้งหลายจึงยังไม่นอนหรือไม่ยอมนอนความไม่พาสุขบางอย่างคงเกิดขึ้นแก่ท่านเช่นพระบางรูปอาจถูกงูกัดเป็นต้น ตอนเช้าตรูนางอารัมชุบน้ำแล้วทำขนมปิ้งที่ฐานไฟคงจะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกในสมัยนี้ว่าจาปตีวิธีทมก็อย่างที่กล่าวในที่นี้กินกันทั่วอินเดียตั้งแต่คนชั้นต่ำสุดถึงสูงสุดอดจาปตีไม่ได้เป็นอาหารที่ทำง่ายและราคาถูกเมื่อยังไม่ชุบน้ำ ก็เหมือนราเห็นจะเหมือนแป้งจี่ของเรานั่นเองนางเอารมชุบน้ำแล้วทำขนมปิ้งที่ฐานไฟห่อไว้ในพกตั้งใจจะกินกลางทางที่ไปท่าน้ำเธอพบพระาศาสดาและพระอานนุ์ในระหว่างทางเธอคิดว่าบัดนี้ทายธรรมของเรามีทั้งพระาศาสดาก็ปรากฏเฉพาะหน้าถ้าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจเราก็จะถวายขนมนี้ดังนี้ แล้ววางหม้อน้าไว้น้อมขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่าขอพระองค์โปรดรับขนมอันเศร้าหมองนี้สงเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาตรเข้าไปถวายสรงรับขนมของนางคุนาเธออธิษฐานขอให้ได้เห็นธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วทรงอนุโมทนาว่าจงเป็นเช่นนั้นเถิด นางคิดว่าพระศาสดาคงจะไม่สวยขนมนั้นคงจะประทานแก่กาหรือสุนักแล้วเสด็จไปสวยอาหารอันประนีตที่พระราชวังหรือบ้านเศรษฐีแห่งใดแห่งหนึ่งพระศาสดาทรงทราบปริวิตกของนางแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูจีวรถวายพระองค์ประทับนั่งสวยขนมของนางปุนาผู้ยืนดูอยู่ เสร็จพัฒกิจแล้วตรัสถามนางปุนาว่าเหตุไรเมื่อคืนนี้จึงคิดดูหมิ่นสาวกของเราหม่อมชั้นไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข่าปุนาทูลและทูลถึงความคิดของตนให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาตรัสว่าปุนาเธอนอนไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ส่วนสาวกของเราไม่หลับเพราะประกอบเนืองเนืองซึ่งความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า อาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อเป็นอาธิมีนยะดังพันนามาแล้วจบพระธรรมเทศนาปุนาได้ทำลงอยู่ในโสดาปฏิผลเจ็ดของเก่าพระพุทธภาษิตโบราณเมตังอัตุละเนตังอัจัตนามิวะนินทันติตุนหิมาสินัง นินทันติพระหุพาณิหนังมิตรภาเน่งปินินทันตินติโลเกอนินทิโตณจาหูณจะพวิสติณเจตระหิวิชสติเอกันตังนินทิโตโปโสเอกันตังปาปัสังสิโตยันเจวินยูปัสังสันติอนุวิจจะสุเวสุเ ว, เวอชิทธวติงเมทาวิง ปัญญะเีลสมาหิตังเนขังชัมโพโนทัตเสวะโกตังนินทิตุมะระติเทวาปินังประสังสันติพรหมุนาปิประสังสิโตแปลว่าดูก่อนอตุระเรื่องนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าไม่ใช่เพิ่งมีในวันนี้คนนั่งเฉยๆเขาก็นินทา คนพูดมากก็ถูกนินทาพูดพอประมาณก็ถูกนินทาเหมือนกันคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับสารเสริญอย่างเดียวไม่เคยมีในอดีตจะไม่มีในอนาคตและไม่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนวินยูชนพิจารณาทุกวันแล้วสารเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติ ด, ดีติดต่อไม่ขาดสายเป็นปราดประกอบปัญญาและศีล ใครเล่าควรจะนินทาผู้นั้นซึ่งบริสุทธ์ดุดแท่งทองชมภูนุศคนเช่นนั้นแม้ถวยเทพก็ชมพรหมก็สรรเสริญอธิบายว่าคำว่าอตุละเป็นชื่อของอุบาสกคนหนึ่งนินทาพระหลายองค์ไม่มีใครดีเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เึิงตัดพระพทธพน์นี้เป็นเชิงเตือน พระพุทธพจน์นี้มีความดีและความคมมากในตอนแรกทรงแสดงถึงความโบราณของการนินทาและสารเสรินพระอัตถกาถาจารย์อธิบายว่าคนย่อมนินทาคนที่นั่งเฉยๆว่าเหมือนคนใบ้เหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรคนที่พูดมากก็ถูกนินทาอีกเหมือนกันว่าเหมือนใบตานถูกลมพัดพูดไม่รู้จักสิ้นสุดส่วนคนพูดพอประมาณเขาก็นินทาได้เหมือนกันว่า จะพูดทีเหมือนทองคาและเงินจะร่วงลงจากปากพูดคำสองคาแล้วนิ่งเสียเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทาจึงไม่มีในโลกอันหนึ่งคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับการเสรเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีในโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแม้คนคนเดียวก็อาจจะนินทาเราบ้างสรรเสริญเราบ้างบางทีเกลียดเราบางวันรักเรา คนส่วนมากใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจึงติและสรรเสริญไปตามอารมณ์ตัวคนที่ได้รับสรรเสริญหรือถูกติจึงไม่ควรถือเอามาเป็นอารมณ์นักถือเสียว่ามันเป็นเพียงของผ่านเข้ามาแล้วหมดไปสิ้นไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงดังข้อความในโลกธรรมมาสูตรว่าลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุก มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาวงเล็บอนิจโจทุกโโหวิปรามะธรรมโมเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่ยินดีเมื่อได้และไม่ยินร้ายเมื่อเสียความจริงการนินทาว่าร้ายนั้นไม่ใช่ของร้ายทีเดียวนอกจากเราจะไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นสนรเสริญก็ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเมาทางจิตใจ เป็นของเมาที่มีพิษร้ายกว่าสุรายาเมาเสียอีกเพราะอันเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนพระพุทธองค์ทร ง, งแสดงอันตรายของลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญไว้มากในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาบสการะสังยุตทรงตำหนิผู้ติดในลาบสการะไวมากและทรงยกย่อง มหากัสปะว่าเป็นผู้ไม่ติดในลาภสาการะและสารเสริญ น, นินทาและสารเสริญทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนชั่วก็ได้สุดแล้วแต่ว่าเมื่อรับมันมาแล้วเอามาทำอย่างไรมันเป็นมีดสองคมอยู่ทั้งสองอย่างทรงแสดงว่าการนินทาหรือสารเสริญของคนผ่านนั้นไม่เป็นประมาณเพราะคนผ่านติหรือชมตามอารมณ์แต่บัณฑิตคนใด หรือชมผลใดถือเป็นประมาณได้ถ้าท่านติก็ควรรีบพิจารณาแก้ไขถ้าท่านชมก็ควรถือเป็นรางวัลอันดีและทำความดีอย่างนั้นต่อไปเพื่อรักษาความดีให้มั่นคงสิ่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างคนมีสติปัญญาและคนโง่คือความรู้เท่าทันสิ่งต่างๆส่วนคนโง่ไม่รู้เท่าทันและสามารถหาผลกาไรไดจากการขาดทุนตัวอย่างความทุกข์กับความสุข ยิงอยู่ความสุขเป็นกําไรชีวิตยอย่างหนึ่งของคนแต่ความทุกข์เป็นกําไรทางจิตใจจะทําอย่างไรสักอย่างก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างยิ่งทํางานใหญ่ยิ่งต้องถูกวิจารณ์มากถ้ากลัวคนตําหนิติเตียนก็คงไม่ต้องทําอะไรถ้ายิ่งต้องการให้คนชอบเราทุกคนก็จะยิ่งเสียหายใหญ่เพราะต้องคอยประจบเอาใจเขาอยู่เรื่อยพอหยุดเอาใจเขาก็นินทาว่าร้าย และจะว่าได้มากกว่าก่อนที่จะเอาใจเสียอีกคำชมก็ไม่ควรยินดีนักเพราะไม่ใช่เขาจะชมอยู่เสมอไปอาจล่อให้เราหลงหรือยกยอให้เราตายใจแบบยกยอจะกินปลากลางร่มคือทรรมเอาไว้คำติเตียนและคาชมจะไม่ทําให้เราเสียมีแต่จะทําให้ดีพระาศาสดาประทับอยู่ที่วัดเจตวันทรงปรารบบาศกชื่ออัตุละ จึงกัดพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ด, ดังนี้อตุละอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีมีบริวารมากวันหนึ่งอยากจะฟังธรรมของพระเลวัตตะอรหันต์จึงพาบริวารไปฟังธรรมในสำนักของท่านแต่ท่านพระเถระเป็นผู้พอใจในการหลีเกเรน้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีท่านจึงไม่พูดอะไรกับอุบาสกเลย เขากโกรธว่าท่านไม่ยอมพูดอะไรจึงลุกขึ้นพาบริวารไปหาพระสารีบุตเรเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าต้องการฟังธรรมพากันไปหาพระเรวัตตะมาแล้วแต่ท่านไม่พูดอะไรขอท่านจงแสดงธรรมให้ฟังด้วยเถิดพระสารีบุตรแสดงอภิธรร ม, มกถคาเสียมากมายอุูบาสก์ก็โกรธอีกว่าพระอภิธรรมละเอียดลึกซึ้งนักใครจะไปกาหนดไหว พวกเราไม่ต้องการพระอภิธรรมดังนี้แล้วพาบริษัทไปหาพระอานนทเถระเล่าเรื่องนั้นทั้งปวงให้ท่านฟังและขอให้ท่านแสดงธรรมพระอานนทเถระจึงแสดงธรรมแต่เพียงเล็กน้อยและเลือกหัวข้อที่เข้าใจได้ง่ายถึงกระนั้นอุบาศกก็โกรธอีกจึงพากันไปฝ้าพระาศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาจึงตรัสว่าคนไม่ถูกนินทา ติเตียนนั้นไม่มีในโลกแม้ท้องฟ้าอากาศแผ่นดินพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ถูกติเตียนแต่นินทาและสารเสริญของคนพานไม่เป็นประมาณของบัณฑิตเท่านั้นเป็นประมาณดังนี้แล้วตัดพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นว่ายนบเบื้องต้นนั้นแล้วว่าการนินทาและสารเสริญนี้เป็นของเก่าเป็นอาทิมีนัยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกทั้งหมดได้บรรลุโสดาปฏิผล ติเก่งก็ยังได้บรรลุธรรมอยู่เนาะติเรื่อยๆฟังไปเรื่อยติไปเรื่อยก็ได้บรรลุธรรมได้เหมือนกันนะก็เป็ น, น, นโดนเข้าจนได้เนาะโดนโดนสอบกับสกิจใจได้ผู้สำรวมไตรทวานหัวข้อที่8กายัปโกปังรักเอยะกาเยนะสังวุโตสิยา กายทุจริตตังหิตวากาเยนะสุจริตตังเจเรวจีปโกปังรักเกยะวาจายะสังบุโตสิยาวจีทุจริตตังหิตวาวาจายะสุจริตังเจเรมโนปโกปังรักเกยะมโนสาสังบุโตสิยามโนทุจริตังหิตวามโนสาสุจริตังจเรกายนะสังวุตาทีรา อธโภวาจายสังบุตตามนัสสาสังวุตตาทีราเตเวสุปริสังวุตตาแปลว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายวาจาใจและทุจริตทางกายวาจาใจแล้วพึงสัมรวมวาจาใจด้วยดีและประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจนักปราดสัมรวมพร้อมไตรทวารแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้สัมรวมรอบด้วยดี คำว่ารักษาความกำเริบทางกายเป็นต้นหมายความว่าให้เลิกขนองกายวาจาใจให้รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยโดยเฉพาะบรรพชิตหรือภิกษุสามเณรยิ่งมีความจำเป็นมากเพราะอริยาบทอันเรียบร้อยย่อมทําผลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทําผลที่เลื่อมใสแล้วให้มีความเลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้น และทุจริตทางกายวาจาใจแล้วประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอันหนึ่งความสำรวมไตรทวาร น, นั้นหมายถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมความว่าสำรวมอินทรียหกไม่ให้ยินดีเยินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นผู้สำรวมได้ดังนี้ชื่อว่าสำรวมรอบด้วยดีมีอานิสงค์คือ กำจัดอภิชาและโทมนตสออกเสียได้มีอุเบกขาและสติอยู่ทุกเมื่อมีความสุขอยู่ด้วยญาณคือความอย่างรู้สภาพต่างๆตามความเป็นจริงเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวรวุวันเมืองราชคฤชทรงปรารพวกภิกษุฉับพคีคือพวกหกคนมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้วันหนึ่งพระาศาสดาทรงสดับเสียงคตะคตะ ของภิกษุฉับ พ, พักขีผู้ถือไม้เท้าทั้งสองมือสวมเขียงเท้าไม้จงกรมอยู่บนแผ่นหินตัถามพระอานนุ์ว่าเป็นเสียงอะไรพระอานุนทูลว่าเป็นเสียงของพวกภิกษุฉับ พ, พักีผู้สวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมอยู่พระาศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสวมรองเท้าไม้ หรือเขียงเท้าแล้วตัดว่าธรรมดาภิกษุควรรักษาทวารมีกายเป็นต้นให้เรียบร้อยดังนี้แล้วตัดประคาถาว่าเพึ่รักษาความกำเริบทางกายวาจาใจเป็นอาทิมีดยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น<ม>จบที่17ชื่อโกทวัคคาวนานารวม8เรื่องจบเพียงเท่านี้ อย่งธรรมกถาสาทายสมันเตหิสันลักเฆตตาปะาติรรกาา็ ค, คงได้ก็คิดหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องโลกธรรมนะซึ่งมีทั้งดินพาสันเริญมีสุขมีทุกข์มีได้ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนะผมคิดว่าถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆทำให้เราเข้าใจโลกธรรมได้เยอะมากเลย เราทํทำให้เราเห็นว่ามนุษย์ทุกหมู่เหล่าหรือทุกรูปทุกนามนี้วิ่งกันหัวสุกหัวสุนเสวแยงหาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะวนอยู่แค่โลกธรรมนะทั้งแปดที่พระองค์ทรงตัดไปนี้ไม่ได้ไปจากนี้เลยเนี่ยวนไปวนมาไม่ติดอันหนึ่งก็ติดอันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับท่านเหมือนกับพญามารดักเอาไว้ดัก ร้องรอบไปเลยได้ว่าอยู่ในกลงขังกลงจะเหมือนลมพวาชาทันเทศมาแม้เขาจะร้องรําทำเพลงก็ร้องอยู่ในกลงขังจะกินอร่อยเที่ยวสนุกมันก็อยู่ในกลงขังแต่มันไม่รู้สึกตัวทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ก็อยู่ในกลงขังแต่นี้ กงขังที่เรียกว่าแปรได้หลายอย่างกงขังอันหนึ่งก็คือวัตตะสงสารอันนั้นไกลออกไปกงขังอันหนึ่งที่มันขังอยู่ให้เห็นได้แต่ว่าคนก็ไม่เห็นก็คือโล ก, กระทำโล ก, กระทำแปดเนี่ยหรือกงขังอันหนึ่งท่านก็เปรียบเทียบเหมือนความแก่ความเจ็บความตายมีหลายอย่างเหมือนกั น, นแต่พูดจำนวนหนึ่งได้ว่า หัวเราะก็จะหัวเราะไปที่ตายเนี่ร้องไห้ก็ร้องไห้ไปที่ตายกินอร่อยก็กินไปที่ตายเนี่ยไม่ได้ไปที่ตรงนั้นหมดเลยเนี่มันไม่ได้ผลไปจากนั้นแต่เมื่อพิจารณาถึงว่าเพราะความไม่รู้เพราะความไม่ได้สดับเนี่ยเราวนไปวนมาอยู่เหมือนกับเราไปไกลแต่มันก็วนอยู่ใกล้ๆนีอ ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเนี่ได้ลาบมาก็หลงดีใจแม้ได้น้อยถ้ามันพอใจมันก็หลงดีใจเหมือนกันเนี่ยบางทีงน่าสงสารหลงดีใจจนคิดว่ามันจะไม่สูญหายจากเราเราไม่หายจากมั น, นเราก็ไม่อยากให้มันจากไปแล้วความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับโลกธรรมนี่มันก็น่าคิดอย่างเดียวกันเนี่ยด้วยความอยากได้ อยากได้ก็อยากได้ในสิ่งที่ไม่ประเสริฐนเนี่ยเพระองค์ก็ตัดไวห้หลายที่เหมือนกันนว่าส่วนมากคนแสวงหาอยากได้อยากได้สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่ยแต่ก็อยากได้เนี่ยก็ดิ้นรนแสวงหาทุกเพราะการแสวงหาแล้วแสวงหาสิ่งที่มันจะเสียไปสิ่งที่มันจะจากไปนะเนี่ยสึ่งทำให้ พยายิารณาก็มองไม่เห็นทั้งๆที่ดิ้นรนแทบลมแทบตายอยู่แต่ก็หาสิ่งที่มันมีความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองไม่ได้หาสิ่งใด เ, เมื่อได้มาก็หลงดีใจพอหลงดีใจก็เกิดกิเลสตัวหนึ่งขึ้นมาเองทำยังไงนอมันจะไม่หา ย, ยก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันต้องหายเป็ น, นมันแก่เป็นมันตายเป็นเหมือนกัน เราก็คิดแต่เพียงว่าเออมีลมหายใจมีชีวิตจิตใจเหมือนคนเหมือนสัตว์ทั้งหลายนีย่ถึงจะอันนั้นมันไม่ใช่ถึงจะแก่จะเจ็บจะตายเป็นนีวัตถุมันก็แก่ก็เจ็บตายเป็นเหมือนกันฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายอยู่แล้วยังสแสวงหาความแก่ความเจ็บความตายอีกหลงในสิ่งที่ความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ยว่ามันจะยั่งยืนแน่นอนถาวรเนี่ยก็ดิ้นกันหากันลักษณะนี้ สุดท้ายก็ตกอยู่ในกลงของโกกรคกระทำได้มาก็ดีใจเสียไปก็เป็นทุกข์เข้าสรเสริญก็ดีใจเขานินทาก็เป็นทุกข์สุขมาก็หลงดีใจอีกสุกายไปก็ทุกข์มันเป็นโรกกระทำอยู่ตลอด่ท่องไว้เลยก็ได้มีอยู่ในใจเลยในนวากูวาดก็มี โลกธรรมแปดแต่ถ้าเราไม่ได้พยยิจารณามองไม่เห็นลึกซึ้งหรอกไม่รู้อะไรด้วยได้ลาบเสื่อมลาบาพิจารณาดูดีๆได้ยศเสื่อมยศมีคู่กันมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ที่นี้เราฟังว่าจะให้คนถูกใจทุกอย่างนั้นไม่มีหลอก แต่ว่าคนไม่ถูกลินทาไม่มีในโลกเนี่ยแต่แล้สันเริญอย่างเดียวก็ไม่มีในโลกเหรอเหมือนกันเนีมันเป็นธรรมชาติที่ของคู่กันมีอยู่อย่างนี้เนี่ยนี่เพราะคนเราเนี่ยเขาก็อธิบายดีเหมันว่าคนเราสนมากเอาอารมณ์ของตนเองเป็นเครื่องตัดสินถ้าเอาอารมณ์เป็นเครื่องตัดสินมันก็ยังไม่ใช่เนี่ยเพราะอารมณ์ของเรานี้มันก็แปรปรวนอยู่เนี่ย ถ้าถูกใจเราก็สันเสริญเท่านั้นเองถ้าไม่ถูกใจก็นินทาคนคนเดียวนี้รู้สึกเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบเลยทั้งแปดอย่างเลยในคนคนเดียวเนี่ยนี่เหมือนถ้าเอาตามอารมณ์มันจะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยในคนคนเดียวคนนั้นเออถ้าก็ให้ของของเราก็ดีใช่ไหมนี่ถ้าก็ไม่ให้ก็ไม่ดีอย่างนี้นี่มันมีหลายอย่างที่มันอยู่ในคนคนเดียวเนี่ย ซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือมันเป็นโลกกระทำเ่ถ้าอากว่าโลกกระรำนี่คอบงำสัตว์ให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่ไปไหนนี่แล้วการที่จะเห็นธรรมรู้ธรรมมันจึงเป็นเรื่องยากนนี่แม่ปารธนาจะฟังธรรมก็ยังมีกิเลสที่ม่ละเหมือนพามเมื่อกี้นีอยากจะฟังธรรมไปไปหาองค์หนึ่งไม่พูดก็ เอาทำกับท่านไม่เป็นนี่พอไม่พูดก็ อ, องนี้ไม่อะไรก็ไม่พูดสักอย่างสักคำหนึ่งไม่พอใจโกรธนีไปหาพระสารีบุตรกวัฏเพจมากเกินไปใครจะจับจำได้จดได้อภิธรรมลึกซึ้งยังกับอะไรใครจะไปรู้เรื่องไปหาพระอนุน้อจะเอาให้กระทัดรัดก็ยังไม่ถูกใจอีกโอ้ยก็ลาบากเนาะแต่ว่าคนลักษณะนี้เขาอยู่ในพุท ธ, ธวิสัยเห็นไหม เมื่อแสวงหาถึงที่สุดอยู่ในพุท ธ, ธวิสัยก็คือถ้าพระพุทธเจ้าท่านนั้นแหละที่จะเอาเขาได้เนี่ยนี่พอเทศให้ฟังว่าโอ้ยอะไรคนนี้ไ่ถูกวินทาไม่มีในโลกแแม้แต่ตัวท่านเองนัก็เหมือนกันนั่นแหละมีคนชอบไม่ชอบบ้างนะพอสอบกลับมาลักษณะนี้ก็ได้สติรู้สึกตัวโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนะนี่ยเราจะเอาให้ถูกใจเราเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนะี่ย เท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมได้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมได้นี่ามันมองเห็นทางมองเห็นธรรมแล้วมันก็รู้จักวางใจแล้วได้ราบมาก็บอกตนเองไว้เออของนี้มันมีของแก่ของเจ็บของตายเป็นธรรมดาได้มามันก็ต้องเสียไปนี่นี่แล้วท่านบอกว่าได้ราบเสื่อมลาบมันคู่กันนี่ ถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็เตรียมพร้อมถ้ามันจะเสียไปก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเสียไปก็ไม่เศร้าโศกเหมือนที่รู้สึกจะมีธรรมหลวงพ่อชาผมเคยถอดไว้กันหนึ่งเหลือสิ่งอื่นใดเหลือสิ่งอื่นใดเนี้แต่ก็ได้มาก็ไม่หลงดีใจเสียไปก็ไม่โศกเศร้า พอไม่มีอะไรเป็นของเราหรือของท่านนั่นคือจิตที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นจึงว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนี่ก็อยู่ในตรงนี้แหละตรงที่ผู้มีปัญญาเนี่ยมองเห็นโลกธรรมชัดเจนแล้วก็เลยไม่หลงดีใจเสียใจกับสิ่งนั้นไม่หลงในคาสรรเสริญหรือนินทาเนี่ยแม้สุขมาก็ไม่ละเลยหรือเหลิงจิตใจเนี่ย ทุกมาก็รู้แล้วนะว่ามันจะต้องทุกข์ลักษณะนี้เนี่ยก็เลยสงบเพราะเห็นโลกธรรมถ้าสงบได้ลักษณะนี้เนี่ยทางแห่งมรรคก็เกิดขึ้นเรียกว่ามรรคมีองแปดย่อมเกิดขึ้นเพราะเห็นโลกธรรมเนี่ยเมื่อโลกธรรมค่อยหายไปอริยมรรคก็เกิดขึ้นอย่างน้อยก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาแล้พิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ย ก็จะปฏิบัติเพื่อละโลกคือโลกกระทำนั่นเองเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณามันวนแบบไม่รู้ตัวเลยเลยวนไปก็คิดว่าไปไกลแล้วแต่สุดท้ายก็วนอยู่แค่แปดอย่างนี่เองนี่มันถึงแต่พูดอย่างมันก็เหมือนมันจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายเลยนี่มันเหมือนเล่นซ่อนหาจริงๆหาตัวไม่ค่อยจะเจอจับนี่ไปโผลน้นโผลนอนวนไปวนมาอยู่ ผมจะเนี่ยน้องพุทเ จ, จ้าเนี่ยพอตัดสรุปพุ๊บเนี่ยโอนี่แนะ่เรารู้จักเจ้าเสียแล้วอย่ามาทําเราอีกเลยไม่ต้องมาทําเรือนให้ ร, รู้แล้วทําก็ไม่อยู่หรอกทําไปเถอะทานองนี่ยนะนั่นคือทําลายอัศมิ mana นะหรือทิฏฐิมา n a ที่มีหรืออนุสัยต่างๆที่มีหมักดองอยู่ในสันดานที่เคยสั่งสมมาท่านเห็นชัดแล้วท่านละ และได้ขาดเนี่ยจนเป็นสมุเชษประหารได้ว่าเนี่ยขาดไม่กลับฟื้นคืนมาอีกเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่ถอนรากถอนโคนเนี่ยถ้าอย่างโลกโลกก็อยากจะทำลายมันแต่โอ้ยกลังไม่ถึงกําลังไม่พอเนี่ยหรือคิดยังไงก็ไม่รู้นะตามภาษาโลกเนี่ยตัดต้นไม้ก็ตาแล้วตัดอีกตัดแล้วตดัต ด, วตดอีกมันก็ไม่ไม่ตายเนี่ย เห็นต้นไม้อยู่ข้างโบทไหมเคยบอกโยมบอกมาผมนับดูกับ5้าหปีแล้วมันก็ยังไม่ตายเลยนี่นั่นคือวิสัยโลกไงแสดงว่าไม่ได้ภาวนาเลยทำไมต้องเสียเวลาไปตัดมันขึ้นให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยถ้าคนฉลาดก็ถอนรากถอนโคนมันหาวิธีแล้วมันก็จบไปแล้วนี่ยอันนี้ตั้งจะสิปีแล้วยังอยู่อย่างเนี้ยพอถามว่าอ้าเป็นยังไง ก็มันไม่ตายครับเออไม่เป็นไรไม่ตายก็ไม่ตายปัญญามันมีแค่นี้นี่ก็ไปตัดยอดมันยิ่งแตกขึ้นโอ้ยมันยิ่งงามมันก็บอกเออปัญญาแค่นั้นรู้จัว่ายังไงก็ไม่ได้มองดูว่าเออมันเกิดขึ้นจากอะไรมันมีรากไนี่นี่มันก็เป็นเรื่องปัญญามันกันไงถึงบอกว่าถ้าไม่ภาวนานี่มันเรื่องเล็กๆแน่นอนอย่างนี้มันก็มองไม่เห็นเห็นถ้าภาวนาแล้วมันเห็นหมดแหละเนี่ยบอกว่าจะเอาอย่างไง จะเหลือไว้หรือเปล่าหรือว่าจะเอามันถอนรากถอนโคนเลยเหมือนตําแยเนี่ยเห็นไหมอยู่วัดเราก็มีี่พอบอกเขาก็ไปตัดๆๆมันก็เกิดอีกถ้าคนฉลาดเนี่ยเอามันทีเดียวเลยโคนมันก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะนี่ยเหมือนท่านบอกครั้งเดียวก็เอามันทีเดียวไม่ต้องบอกอีกต้นนี้เว้นไว้แต่ต้นอื่นเนี่ยคนฉลาดคิดไปถึงขนาดนั้นเนี่เสียมขุดรากเซ็ตมันไม่ขึ้นอีกแล้ว นี่มันจะต่างกันเนีสติปัญญาของคนเนี่ยนี่ถ้าไม่ประสบการมันก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยบังเอิญว่าสิ่งนี้ไม่ได้ฉลาดอะไรมากหรอกแต่มันจำเจอยู่กับทุ่งกับนากับป่ากับเขามันรู้ดีเรื่องนี้ถ้าจะจัดการเรื่องอะไรมันต้องถอนขนาดย่าเหี้ยวหมูเนี่ยนะจะไปตัดมันไม่ได้มันต้องถอนกับโยมพ่อนี่ยากาเหมือนกันเนี่ยเก็บทุกรากเลยอ่ะ ขุดขึ้นมาก้อนหนึ่งจอะตีละเอียดเก็บทุกลากเลยขุดก้อนหนึ่งมาตีตีตีเก็บทุกลากเลยให้มันขึ้นน้อยที่สุดนะถ้ามันมีเชื้อเหลืออยู่ก็ซ้ำมันเข้าไปอีกขุดลากเองมันขึ้นมาเนี่ยไม่เกินสามครั้งเนอะเรียบร้อยหมด <c oughs> เห็นหนนงานภายนอกงานภายในมันมีความสัมพันธ์กันงานภายนอกเกิดขึ้นจากภายในคือจิตใจที่คิดพิจารณาละเอียดน ถ้าไม่เช่นนั้นมันเอามันไม่หมดไงยากปราบยากที่สุดคือยาให้เอาหมูหนึ่งเนี่ยยาขาหนึ่งแต่ถ้าถ้าปราบโดยวิธีหนึ่งนะง่ายถ้ายาใหเอวหมูนี่ยนะเมีเทคนิคนาะตามัานนอกนี่มันถ้าต้องการ จ, จัดการมันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกถ้ามีแกลบเอาแกลบนะแกลบไปโรยปิดเลยตายหมดไม่เหลือ แน้นาไว้นิดหนึ่งน้าสักสี่ห้าเซนนะหรือสามเซนก็ได้ตายเรียบไม่เหลือเลยหรือขี้เลื่อยขี้ไรก็ได้เนี่ยมันแพ้กันไงมันปิดอมืมันไม่มีแสงไม่มีอากาศเนี่ยแต่ยญ้าคาไม่ตายนะเอานี้ใส่ไม่ตายยญ้าคานี่มันแหลมมันเร็วมากแทงขึ้นมาทะลุขึ้นมาตายยากเนะนี่ยยาคาถ้ามันจะตายต้องปลูกต้นไม้ใส่เลยีปลูกต้นไม้ให้มันมีร่มเนะี่ย พอมีล่มจะตายมดเหมือนกันนี่แต่ก่อนวัดเรานิย่าคาทั้งนั้นเลยมันมีการแจ้งต้นไม้ไม่เยอะนะโอ้ยป่ามันยากเนี่ะผมปลูกต้นไม้ใส่มาเลยเนี่ไม่ต้องไปตัดมันปลูกต้นไม้ย่านี่ผมไม่กลัวหรอกกลัวแต่เถาวันเถาวันพันเล้ยวรถเนี่ยปราบยากเหลือเกินมันออกแรงเสียเวลามากถ้าย่านี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปถางก็ได้ปลูกต้นไม้ขึ้น ต้นไม้มันโตเร็วนะแรกๆหญ้ามันบังให้ต้นไม้ก็ขึ้นมาขึ้นมาพอขึ้นหญ้ามันมีอายุของมันพอหน้าแรงมันแห้งสําคัญอย่าไปเผานะเดี๋ยวต้นไม้มันจะตายถ้าไม่เผามันก็กลายเป็นปุ๋ยพอเป็นปุ๋ยสะสมมากขึ้นแม้ต้นมันเองมันขึ้นไม่งามเรียกว่าตัวก็มันค่ามันเองโดยวิธีที่เรารู้จักนะ นี่คือถ้าถ้าจะถางก็ถางหมกมันไว้ไม่ต้องกวาดออกถ้าอยากให้มันตายนะหมกมันไว้นั่นแหละมันทับทับทับลงขึ้นมามันก็หลอมแหลมแล้วมันมันไม่งามอยู่ก็จริงแต่มันมันอวบนะสุดท้ายมันก็ตายถ้าต้นไม้เราโตเราจะสังเกตเห็นได้แน่ว่าถ้าต้นไม้โตขึ้นมาเนี้ยตามล่มไม้พวกยาจะขึ้นไม่ได้นี่พวกยาที่ชอบแสงนี่ไม่ได้นี่ฉะนั้นหญ้าแฝกนี่ ตีโครงการหลวงเนี่ยเที่ยวไปปลูกไม่ใช่ว่านึกอยางจะปลูกก็ปลูกได้นะถ้ามีร่มไม้นี่ไม่มีทางปลูกตายมดปลูกหญ้าแฝกต้องปลูกกลางแจ้งกลางแดดเลยนะนั่นถึงปลูกได้แต่ไม่แรกๆเนี่ยทำโบส์นี่มันไม่มีต้นไม้รอบๆนี่ดินมันจะพังเพราะดินทรายนี่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็เลยมาช่วยปลูกปลูกนาร่องไว้ก่อน คนวัดปูกก็ให้มาหลายหมื่นก่าเหมือนกันเนี่ยปลุกรอบหมดเลยเนี่ยพอต้นมไม้โตมันตายหมดไม่เหลือสกอเลยเห็นไหมไม่มีสักต้นเลยหายหมดนั่นก็คือวิธีที่เราสังเกตแล้วก็ทําให้เกิดความฉลาดขึ้นมานี่ ย, ยการฉลาดในภายนอกเลยพอมาฟังธรรมนี้มันก็เกิดความฉลาดภายในเหมือนกันเนี่ ย, ย, ยถ้ามีข้อเปรียบเทียบภายนอกและพิจารณาภายในโอ้กิเลสภายในก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับวัตถุภายนอกที่มันเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าท่านก็เอาอุปกรณ์การสอนคือข้อเปรียบเทียบที่เราผ่านมาทั้งนั้นเลยดังท่านไปสอนชาวประมงนี่สอนชาวนาเนี่ยสอนนายพรานอย่างเงี้นี่นี่คือพระองค์รู้ไงนี่ผมยังเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูจริงๆเนี่ยแสดงว่าท่านที่เขาว่าพระองค์จบ18ศาสตร์เนี่ยก็เชื่อเหมือนกันนะเอ่อทำไมถึงเชื่อเนี่ย ก็เชื่อโดยที่ในคำสอนนี่ถ้ามองในปัจจุบันของท่านเนาะท่านก็เป็นลูกกรรษัตริย์ใช่ไหมท่านจะไปรู้ได้อย่างไรเนะี่ยถ้าท่านไม่จบนะแล้วไม่จบเฉยๆด้วยนะท่านเคยเป็นมาที่ท่านบาเพ็ญบารมีมาเป็นทุกอย่างนะไม่ใช่เรียนทฤษฎีเฉยๆเนี่ยแต่ท่านผ่านมาทั้งหมดเห็นไหมที่ท่านบอกว่า สัตว์ที่ไม่เคยเป็นนะตั้งแต่นกกระจาบขึ้นมาเป็นทุกประเภทนี่ตอนบำเพ็ญบารมีเยอะตั้งแต่นกกระจาบเล็กตั้งแต่นกกระจาบเลยไม่ได้เป็นรรมดเป็นแมลงหรอกพุทธภูมินี้ตั้งแต่นกร ก, นกระจาบ จ, จนถึงช้างเนี่นี่สัตว์ตั้งแต่นั้นขึ้นมาเนี่เป็นทุกอย่างเนี่ยนี่นี่เราก็จะเห็นว่าวิธีแสดงธรรมกุฏิเจ้านี้มีความประณีตละเอียดสุขุมมากไหม เรียกว่าแสดงให้ใครก็ได้บรรลุธรรมเพราะพระองค์ชำนาญชำนาญไม่ในอาชีพของเขารู้ยิ่งกว่าคนนั้นอีกคนที่ทำประจำเห็นไหมถ้าเรื่องชาวนานก็รู้ยิ่งกว่าชาวนาซะอีกมันจึงเจาะใจหรือว่าจี้จุดตรงใจไ ด, ได้ดีเขาก็เลยเกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างไปเห็นเขาไถนาเนี่ย ชาวนาเห็นก็คงไม่ชอบพระก็ไปชดใช่ไหมออบอกว่าท่านสมณะท่านก็ควรไถควรหวานบ้างไม่ใช่ไปขอเขาเฉยๆว่าอย่างนั้นเช้ามาไป็นตัวท่านก็ควรจะไถจะหวานบ้างออบอกว่าโคตรเจ้าท่านสวนเร็วนะเราก็ไถก็หวานเหมือนกันแหละพราหม์มาเลยท่านไถหวานไหนถ้าคลาดท่านอยู่ไหนไถท่านอยู่ไหนโคท่านอยู่ไหนหวานอย่างนั้น ก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตัดสอนธรรมะไงดึง อ, อุปกรณ์ของเขามาเป็นธรรมะเลยเนี่ยว่าเออของเราก็มีสติเป็นกอนไทยใจเป็นแอกอะไรเนี่ยในหนังสือคุมทรัพย์จากพระโอษ์ไปเปิดดูได้นะหรือพุทธประวัติจากพระโอษร์ก็จะเห็นว่าเมื่อพระองค์ตอบ ปุ๊บนี่โอ้สัทธาเลื่อมใสโอ้ไม่ธรรมดาท่านสามารถพลิกแผงเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกถึงผลได้รับด้วยเนี่ยเพราะชาวนานี่ก็ทำผลของเขาคือข้าวใช่ไมใข้าวกล้าขึ้นมาเนี่ยแต่ผลของผู้ปฏิบัติเนี่ยก็มีผลเหมือนกั น, นโดยการทำนาคล้ายๆกันเลยท่านเปรียบเทียบทุกอย่างเนี่ยเหมือนอุปกรณ์ชาวนาเนี่ย ไวศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนเนี่ยนะเนี่ห่เจริญงอกงามเนี่ยจนกระทั่งว่าพัฒนาขึ้นไปจนกระทั่งว่าเก็บเกี่ยวได้คืออมตะผลคืออมตะ ค, คือความดับทุกข์เนีรถรถ่ยอมตะลดลดคยอพานิพานเนี่ยคือความดับทุกข์โดยประการทั้งปวงเหมือนกับท่านที่ทำนาเนี่ยเมื่อเข้ากล้าสมบูรณ์ท่านดูแลดีไม่เสียในระหว่างเนี่ย ผลก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่า น, นข้าวกล้ า, าสมบูรณ์ดีนี่นี่บุญดีที่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกั น, นเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องก็ย่อมได้รับผลตั้งแต่โซโดาปฏิผลสักกทากามีผลอรหัตผลนุนแหละไปถึงโนุนเล ย, เ น, ยนั่นคือ ปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ที่ท่านรู้สอนชาวพมงก์ก็เหมือนกันไปทักทายชาวพมงก์ก็เอาจนให้เลิกทำบาปจนได้นี่ไปเจอในพรานก็สอนในพรานให้เลิกละการทำปานาติบาตนี่คือสอนแบบเอาอุปกรณ์ของเขามาสอนนี่แล้วที่สำคัญคือพระองค์รู้เมอมีอติตังสยานเนี่ย รู้อดีตรู้อนาคตเนะี่ยบางคนนี้ถอนทิฏฐิมาณนฑะ์ถอนความประพฤติได้เพราะพระองค์ยกเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังเรื่องเราฟังมาหลายเรื่องเนะี่ถ้าปัจจุบันนนท์ไม่ยอมพอเล่าเรื่องอดีตบอกว่าเธอไม่ใช่เป็นเดียวนี้นะแต่ก่อนเธอก็เป็นแต่เธอไม่รู้หรือ <laughs> พอบอกว่าแต่โน้นเป็นก็โอ้รู้สึกตัวทันทีเลยก็ละกิเลสได้นั่นคือเป็น ความสามารถพิเศษซึ่งมีเฉพาะสัพพัญญูพุท ธ, ธะเท่านั้นเนี่ยภาษาวกก็มีบ้างแต่แต่เขาไม่ถึง พ, พุทธเจ้าออถือว่าธรรมะนี่เป็นของที่ประเสริฐจริงๆเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆได้ประโยชน์มากเลยจนกว่าชีวิตของเราจะลมหายตายไปนี่ได้รับประโยชน์จากธรรมแล้วก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องอนาคต ถ้าเราสร้างสุขในปัจจุบันก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องอนาคตถ้าปัจจุบันเรามีแต่ทุกนี้ก็ไม่สงสัยเรื่องอนาคตเหมือนกันมันก็ต้องทุกแน่นอนแล้วตองงสอนให้ละความไม่ดีทำความดีเสียสั่งสมความดีไว ม, มากสุขปัจจุบันก็คือสุขในอนาคตทุกปัจจุบันก็คือทุกในอนาคตนั่นคือธรรมะที่ทำให้เราสามารถไปพิสูจน์ได้เราก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง สำคกู